พระธรรมเทศนาแผ่นที่95ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าวานแฮไม่ได้ปลาวันนี้เป็นวันที่8 สิงหาคมพุทธศักราช2559เมื่อวานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดฟ้าแจ้งจางปางฝนไม่ตกมีแดดเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนไปยอนบัตรรับรัฐธรรมนูญหรือไม่รับแต่ผลออกมาวันนี้หลวงพ่อทราบข่าวจากทายกที่มาวัดของหลวงพ่อบอกว่า ผ่านได้61ซคนเห็นด้วยร0 0เปอร์เซได้6กก็นับว่าเอาละผ่านได้สวก็ผ่านได้สวเลือกตั้งนายกแล้วก็กฏหมายรัฐธรรมนูญที่ออกมาใหม่ที่จะมาใช้ก็ผ่านจะได้เลือกตั้งเสียทีเป็นที่ยอมรับของโลกทั้งโลกเขา มันเป็นลักษณะอย่างนี้ก็โลกทั้งโลกเขาเอนตีเขามีอะไรต่อไม่อะไรมาลลง ม, มาตุ่มเหมือนกับประเทศพาม่าที่ผ่านๆมาลักษณะอย่างนั้นโลกมันเป็นอย่างนี้โลกโลกยุคนี้สมัยนี้มันเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องทำให้ถูกโลกสมมุติเขาถ้าหากว่าไม่ถูกโลกสมมติเขาโลกสมมุติเขาเขาก็ไม่อื้ออำนวยเป็นอริเป็นจัตรู มันก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรกฎหมายถึงจะดีหรือไม่ดีมันก็อยู่กับคนนั่นแหละถ้าคนมีคุณธรรมศีลธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วอันไหนควรคิดดีทำดีพูดดีรู้จักไม่ดีถ้ารู้จักทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเองรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักสูงรู้จักต่ารู้จักกาละเทศะการสถานที่บุคคล กฎหมายก็ไม่จําเป็นเพราะเรารู้จักอยู่ด้วยกันเหมือนกับท่านเป็นพระหรันพระหันเขวทำความชั่วไม่มีคําว่าเจตนาเพราะอไรเพราะท่านไม่คําว่าคิดชั่วท่านไม่มีในหัวใจของท่านและจะทําชั่วจะพูดชั่วได้อย่างไรแต่มา่ไม่เจตนาเสียหายบางครั้งบางมีบางครั้งก็มีอย่างพระจักกุบาลตาของท่านบอด พอตาท่านบอดแล้วก็ท่านเดินยังกลมพระตาไม่เห็นก็จับเปลา่าเดินยังกลมกลางกลางคืนเป็นระดูที่มแมลงเม่ามันออกท่านก็มองไม่เห็นท่านก็เหยียบมแมลงเมา่าตายท่านก็ไม่ได้เจตนาท่านก็ไม่รู้โพอตาท่านบอดพระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็เดินไปชมพระที่มาจากต่างจังหวัดมากราพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะเข้ากราบพระพุทธเจ้าก็เดินชมวัดป่าเชตตะวันพอเดินไปเห็นพระจักุบาลตาบอดนั่งอยู่จะก็เดินเดินไปดูทางเจงกรมที่ท่านเดินเห็นแมลงเมาตายเกลื่อนเลยพระเหล่านี้ก็เลยยกขึ้นมาจะหมัยเมื่อตาดีๆไม่เล่งความเพียรไม่เดินยังกรมไม่นั่งภาวนาพอตาบอดและทําท่า เดินจงกรมเหยียบมแมลงเหยียบสัตว์ตายไปหมดพระองค์นี้พระที่มาพระนวัคคะอาคันทุกะคือพระต่างถิ่นเขาตำแหนิงพระจักกูบาลมากราบพระพุทธเจา้าบอกว่าข้าพระพุทธองค์ได้เดินไปชมวัดป่าเชตวันไปเห็นกุฏิหลังหนึ่งเห็นพระตาบอดองค์หนึ่งแล้วเดินจงกรมเหยียบมแมลงเมา แต่สมัยเมื่อตาดีๆน้อยหนุ่มขี้เกียจพอตาบอดแล้วทาท่าจะเดินจงกลมทั้งที่มันจะเป็นประโยชน์กับเป็นโทษอีกต่างหากนะพระพระุทธองค์บอกว่าอันนั้นคือบุตรของเราพระจักกุบานเขาท่านได้สำเร็จเป็นพระหานแล้วการกระทําท่านไม่มีเจตนาแม้ตรงหน่อยเดียวเขาว่าเจตนาแต่ท่านไม่รู้ไม่เห็น ก็ทั้นตาบอดท่านก็ได้เหยียบแมลงเมาไปเพราะนั้นกรรมตัวนั้นเป็นโอโหสิกรรมกรรมไม่มีโทษเพราะไม่มีเจตนาอันนี้ก็คือพระหรันถึงท่านจะทําลงไปเหยียบลงไปท่านก็ไม่เจตนาเพราะใดท่านไม่รู้ถ้าท่านรู้ละท่านจะไม่ทําแต่ว่ามีพระตาดีไปโอ้เพ ร, ระคุณท่านหลวงปูครับ มีมแมลงเมานาะอย่าไปเดินถ้าไม่จะเหยียบสัตว์เอ อ, เ อ, อหยุดนะ น, นก็จะหยุดนะอันนี้ท่านไม่รู้นะท่านเดินกลางกลางคืนพระก็ไม่เห็นพระอุปถากนนี่แหละอันนี้ก็คือเจตนาถ้าว่าพวกเราคนในชาติผู้ได้รับการศึกษาส่งไปเรียนต่างประเทศไม่รู้สิส้นเงินไปเท่าไหร่แต่ละแต่ละคนปริยาตรีโทรเอกทางนะั้น เ, เพอเพอรยังเอกหลายใบอีกต่างหากโทหลายใบอีกต่างหากตรีหลายใบอีกต่างหากมีแต่ชั้นปัญญาชนแต่รดยมากมันชนดะไปที็มมันไม่ใช่ผู้ที่ไฝในความถูกต้องอทำไมยังพูดอย่างนั้นเหตุไหมล่ะที่ผ่านๆม า, านายก หลายสมัยมันคิดได้ยังไงทับได้ยังไงไปตั้งบังเกอร์อยู่ในกรุงเทพเหมือนกับทาเหมือนกับเด็กอมนิ้วทำทะเลาะกันบังเกอร์ทะเลาะกันด่ากันไปด่ากันมาทาไ้ว่าทิฐิมานะล้วจะว่าอะไรหน้าอับไอหน้าอับไอขายหน้าไปทั่วโลกถ้าดูดูแล้วถ้าว่าเอาธรรมะเข้าไปเปรียบเทียบนะ ถ้าเอาเปรียบเอาทำมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปเปรียบเทียบนะน่าอับอายเพราะเหตุไรเพราะได้รับการศึกษาดีแล้วทำได้ยังไงลดทิธฐิมานะลงเพียงแค่นั้นก็ไม่ได้นะทิธฐิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างพวกของข้าพักของข้ากลุ่มของข้านะมันอยู่ในใจนะั่นเป็นยังไงที่ผ่านานมา ดีไหมประชาธิที่ประายอย่างนั้นมุนอนพวกเราอยู่หัวเมืองอยู่ในป่าดงพงไพยนะียังคิดโอ้โหวันไหน เ, เลือดจะละเลียงละลายในพื้นแผ่นดินไทยยังคิดถึงขนาดนั้นอีกต่างหากแต่ก็ยังดีมีผู้เข้ามารับผิดชอบในจุดนั้นหลวงพ่อวันดี แต่บาตรเนี่เยเตั้งต้นใหม่ให้ทุกคนสํานึกสําเหนียกในก จ, ใจิตใจชั่วรู้จักไหมจิตชั่วทําชั่วพูดชั่วรู้ไหมสูงต่ํารู้ไหมกาละเทศะการสถานที่บุคคลรู้ไหมประเทศไทยเป็นมาอย่างไรมีประวัติมีประวัติศาสตร์เป็นมาอย่างไรรู้ไหมพวกเราถ้าหางว่ามีจิตสํานึกไปในทางที่ดีหลวงพ่อว่านั่นนะดี ถ้าว่าพวกเรายัางดันทุลังกันอยูนะ่มันหาที่สิ้นสุดไม่ได้ล็อกทะเลาะกันเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็มาทะเลาะกันอีกเนี่ยเพราะเหตุไรเพราะว่าพวกเราไม่รู้จักการวางตัวเอาความรู้ที่ได้มานะทั้งที่จะมาทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเอามาห้ำหั่นกันเอาความรู้มาห้ำหั่นกัน มาทรเาะวิวาทกันมีแต่ใช้สติใช้ปัญญาที่เรียนมาเอามาใช้ในทางที่ผิดเอามาใช้เป็นมิตรสาธิธิในความเห็นในเรื่องนั้นๆอันนี้คือเราเอาธรรมทำำธธ ะ, นะะทำคำสอนของพุท ธ, ธะนะแต่เราทำคาสอนของพุทธะเนี่ยองหลวงตามหาบวช่าการเสียเปรียบคนนั่นแหละคือเมตตานะมันมันเป็นยังไง การเสียเปรียบคนเรายอมเสียเปรียบซะนั่นแหละคือเมตตาถ้าเราเอาชนะเขาได้นั่นแ่ะคือความโกรธความไม่มีเมตตาใน จ, ใจิตใจแต่โดยมากมันไม่เป็นลักษณะมันไม่เป็นอย่างที่ว่ามันมีแต่เอาชนะกันชนะคระคารนกันไม่มีใครชนะผลที่สุดรอนในพวกเราทุกๆท่านนะที่เมื่อวานผ่านมา รัฐธรรมนูนก็ผ่านไปได้ 61% เซแต่ที่หลวงพ่อได้ทราบจากคณะัทธาญาติโยมหลวงพ่อใจใจถามไถ่มันกันนะเออไปไงลูกลานออรัฐธรรมนูญมันผ่านไมเมื่อวานเนียออดินฟ้าอากาศก็เอือออำนวยนะฝนไม่ตกออแดดมีแดดออกมาแจ่มแต่ก่อนมีแต่ฝนตกเละไปหมดในภาคอีสานของเราเออก็ได้รับทราบว่าเออเอากรดีมันผ่านผ่านไป แต่ก็เมื่อวานนี่ก็เป็นวันประชุมเพลิงที่วัดถ้ำสหายหลวงพ่อประสิทธิ์แต่ก็ทราบ ว, ว่าทางอุดรนไปใช้ใช้สิทธิ์ไม่ค่อยมากก็คงจนะคงจะเกี่ยวกับงานศพของหลวงพ่อประสิทธิ์บ้างที่คนขึ้นไปทําบุญทําทานก็ทําให้จุดนั้นอีกจุดหนึ่งคนไม่ใช่น้อยเหมือนกันที่ไปทําบุญที่ทำสหายแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปนะคณะทาญาติโยมแต่หลวงพ่อไปตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะ เอาแต่ตุปัจไปถวายทนเาผ้าไตรผ้าขาวไปถวายในงานศพท่านแล้วนะแต่เมื่อวานก็พิจารณาดูธาตุขันของตนเองอีกต่างหากเราก็อายุมากแล้วจะไปเดินเข้าไปชิงไปแซงพระลูกพระหลานคณะศรัทธาญาติโยมเข้าไปกันดูกระไรอยู่เราก็รู้จักกาละเรารู้จักตัวของเราเองนะั่นแหะถามไปนะจะทํำยังไง ไปแล้วก็ส่งประยุงปีกต้องเกาะคนอื่นไปก็ให้ลูกให้หลานไปซะทั้งที่หลวงพ่อก็สอนพระเนนลูกหลานมากต่อมากาให้ไปเคารพคารวะครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไห้ไปนะเนอแต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อแก่แล้ว เ, เราจะไปไม่รู้จักประมาณตนก็ไม่ได้มันต้องมองตนเอง เมื่อสมัยเป็นหลวงพ่อเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยคนทะเลาะกันอพอคนทะเลาะกันไอ้คนหนึ่งกินเหล้าเมาก็เป็นนักเลงเก่าบ้างะออพกเป็นนักเลงเก่าบ้างครับกะว่าใครตีที่ไหนไปว่าต้องเข้าไปลุม่อไปชกไปต่อยไปตีกับเขาแล้วงั้นนออนักเลงหมูนักเ ล, ง, กเลงชุมชนนักเลงหมู่บ้าน พอก็ตีกันขึ้นมาทะเลาะกันตีกันเสียงแจ๊วๆวาปตัวเองเมาเหล้าลุกกลไม่ขึ้นใช่หมบอกเขาว่าไอโ้โสหามกูไปตีกับเขาเนีนะทั้งที่ให้ตัวเองเดินไม่ได้ให้เขาหามตัวเองไปตีกับเขาว่ากันเลยนี่ยแสดงว่าไม่ไม่มองตนเองฮไม่ดูตนเองฮนัะนะ่นแหะหลวงพ่ อ, อกลัวเป็นลักษณะอย่างนั้นละ่ะ ขนาดตัวเองเดินไม่ได้ก็จะให้ลูกหลานหามไปดูๆแล้วผู้ที่หามไปนั่นก็จะเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงลูกหลานนะ่ะเพราะฉนั้นสิ่งไหนที่ควรจะไปได้ลุงพ่อก็จะไปถ้าลุงพอ่อไปไม่ได้มองดูแล้วอเออก็ไม่เห็นจะจําเป็นอะไรมีแต่ยกมือไหว้ยอยู่ทั้งนอกเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะะเมื่อวานลุงพ่อก็เลยไม่ได้ไป สุขภาพระงพอก็มองมองดูสุขภาพตนเองอยู่นะโดยคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะความแก่ชราไม่แก่ชราได้อย่างไรเจดสบกว่าปีแล้วลูกหลานเจดบปีแล้วเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ได้ปาหมาดเรไม่ได้ขาดความเคารพรักเคารพในเมื่อเพื่อนสหธรรมิกแต่ตงยังไง ท่านมรณะภาพไปก่อนเราก็จะเดินตามหลังท่านไปคิดไว้อยู่เสมอว่ามรณงเมภวิสติอีกสักวันหนึ่งข้าพระเจ้าจะต้องตายไม่รู้ว่าวันไหนเราคิดไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาจะไม่จะไม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าว่าทุกลมหายใจเข้าออกแต่ละลึกขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ไม่คิดว่าเราจะอยู่โชว์ฟ้าดินสลาย อีกสักวันหนึ่งนะเราจะต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนมรณังเมประวิชิติมรณงไปว่าความตายเมไปว่าฆ่าข่าพระเจ้าข่าพระเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งคิดไว้อยู่ตลอดทแต่ระลึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็มน้อมหาตัวเองตลอดเวลาเนะนี่แหละให้พวกเราทุกๆท่านนะถ้าเราคิดดูอย่างนี้ ความประมาทเรื่องความที่ไม่ใส่ใจความที่สนุกสนานเพลิดเพลินเอฮาจะไม่มีใน จ, ใจิตใจเราจะเตรียมพร้อมประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลอันไหนที่จะเปิดเกิดประโยชน์สําหรับตัวเองสําหรับชุมชนสําหรับกลุ่มของเราอันไหนที่จะเปิดเกิดประโยชน์รรมสิ่งนั้นแต่หาว่าสิ่งไหนที่มันไม่เกิดประโยชน์ทําไปทําไมทําให้ตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนเสีย ทำให้ประเทศชาติเดือดร้อนทำไปทาไมนี่พวกเรามองดูตนเองถ้าว่ามองดูตนเองนั่น่ะสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อชุมชนสังคมต่อประเทศชาติต่อโลกเราควรจะทำสิ่งนั้นแต่บางคนก็เคยถามมาถามหลวงปูหลวงพอ่ อ, พอแต่ละวันหลวงพ่อมีแต่พูดเทศเรื่องแนะนำ น้อศรัทธาญาติโยมมีแต่พูดเรื่องการเป็นอยู่บ้างอะไรบ้างเรื่องล่าต่างๆบ้างแต่เรื่องธรรมะเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยน่าจะพูดเรื่องจิตตภาวนาให้มากเพราะหลวงพ่อเป็นพระกรรมฐานเป็นพระจิตเรื่องภาวนานแต่หลวงพออ่อก็บอกหลวงพ่อก็พูดอยู่นะเรื่องภาวนานแต่หลวงพ่อก็มองดูเหมือนกันถ้าหากว่า คนที่มาช่วงไหนที่มารักษาศีลมาตั้งจิตมาตั้งใจภาวนาหลวงพ่อก็จะสอนเรื่องภาวนาแต่ถ้าว่าวันตอนเช้าอย่างนี้มีศรัทธาญาติโยมลูกหลานมาจากต่างถิ่นบ้างในท้องถิ่นบ้างทุกคนกลุ่ ม, กมเก่าบ้างนะหลวงพ่อก็มีจะบอกแนะแนวแนะนํเาเรื่องการเป็นอยู่เรื่องทานเรื่องศีล เ, เรื่องการวางตัว อย่างวันนี้ลพวกเราควรจะวางตัวยังไงในประเทศชาติบ้านเมืองอย่างนี้แต่ถ้าเราพวกเราถ้าเราพูดที่มาเป็นนักพรตนักบวชมาเราจะมาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้เราก็ต้องพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาอย่างหลวงพ่ออบรมพระในวันพระปฏิโมกนะ์หลวงพ่อจะพ้องพูดเรื่องศีลและวิถีไหนจากนั้นก็เรื่องจิตภาวนาเหตุหายเพราะพระ อยู่ในวงไหนหลวงพ่อจะต้องพูดต้องแนะนำํำไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะพูดและการที่จะแนะนําในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธการนะอันนี้เราก็ไม่ได้เปรียบเทียบหลวงพ่ออินเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะ อ, อันนั้นคือเป็นบรรทัดฐานและเป็นบรรทัดหรือเป็นแนวความคิดหรือว่าเป็นแนวของพุทธพุทธก็เป็นแนวของสาว ก, กะอีกเหมือนกัน มีพุทธะแล้วก็ต้องมีสาวกาพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรบเรื่องศีลของพุทธะเนี่ยพระสงฆ์ก็ต้องมานํามาปฏิบัติอันนี้แนวของพุทธะเนี่ยท่านทําอย่างไร เ, เราก็เป็นตัวอย่างอีกเหมือนกันแนวของพุทธะเพระพุทธเจ้าท่านจะแสดงธรรมนสถานที่ดใดถ้าท่านจะขึ้นธรรมะหรือว่าขึ้นอาสนะของท่านแล้วนะหรือบันลังของท่านแล้วหรือหรือที่นั่งของท่านแล้วนะท่านจะกวาดสายตา ไม่ใช่กวาดสายตาธรรมนากาดกวาดญานัศนะเกิดกาดฌานคือความรู้พิเศษของผมว่าพุทธบริษัทที่นั่งต่อหน้าของเราเนี่ยใครบ้างจะได้สำเร็จเป็นพระหันในวันนี้ในการฟังธรรมในครั้งนี้หรืออย่างน้อยพระอนาคามีอย่างน้อยลงมาพระจักทามีทาคามีอย่างน้อยพระโสดาบันหรือจะเป็นผู้ที่ถึงพระไตรสารณคม มีไหมหรือว่าพวกทั้งหลายทั้งปวงมาฟังนี้กะวาเล่กระวราชไม่มีประโยชน์พูดไปแล้วไม่มีประโยชน์เสียหายเออท่านก็มองดูแต่พอมองดูเราอันนี้คือจะได้สําเร็จเป็นพระหรันมีคนเดียวท่านก็จะเน้นหนักจุดนั้นแ่ะจุดคนที่คนเดียวนั่ะจะได้สําเร็จมั่งสาเร็จผลเป็นพระหัน์แต่คนอื่นฟังองงไปงหมดอาจจะไม่รู้เรื่อง แต่พระธองค์เน้นจุดนั้นแต่คนนั้นเข้าใจตลอดที่พุทองค์เทศให้ฟังเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจจนตัดกิเลสเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้อ่าอย่างนั้นยังค่อยมองคนอื่นจะเติบอื่นต่อไปใชน่นะอันนี้คือพุท ธ, ธะแนวแถวของพุท ธ, ธะเนี่ยอันนี้มาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็เหมือนกันนะอย่างหลวงตาหมาบวัวนี่เป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงพ่อเขาไปศึกษาที่นั่น ท่านก็บอกว่าก่อนที่จะแสดงธรรมและก่อนที่จะพูดในชุมชนสังคมใดก็าตามในเมื่อเราเข้าไปแล้วไปเห็นชุมชนกลุ่มนี้ควรจะให้ธรรมะขั้นไหนเรื่องทานเรื่องศีลหรือเรื่องภาวนาไม่ใช่ว่า ป, ปุบ ป, ปับมากก่จะเอาธรรมะขั้นสูงมาเทศเลยไม่ได้มันเข้าไม่ได้พวกนั้นฟังกังงไปหมดเลยมันไม่ได้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะคนที่นั่งต่อหน้าของเราเนี่ย เป็นคนอย่างไรพร้อมที่จะรับธรรมะได้มากน้อยแค่ไหนลำธรรมะขั้นไหนระดับไหนนี่ที่จะที่เราจะสแสดงธรรมหรือเราจะพูดไปเนี่ยแนะนำไปเนี่ยท่านก็เลยเปรียบเทียเ่ยวเหมือนกับเราเห็นฝนตกแรงๆนะพอฝนตกมาเลยน้ำมันก็เจิงในกลางบ้านนะ เ, เห็นน้ําท่วงขึ้นมาก็เตรียมแหลงหวานนะเพราะว่ามันมันมีน้ําอ่ะอหวานลงไปเลยเอผลที่สุดได้แต่ขี้วัวขี้ควายขี้มูลาขี้หมาแห้งติดแห่เพอๆอย่างแห่เดไปติดน้ําอีกต่างหากอพอเสร็จแล้วปลาก็ไม่ได้เพอาเหตุไรเพราะมันมีมีปลามันเป็นน้ําขึ้นมาใหม่ผลที่สุดล้างแห่ เสียเวลาล้างแห่อีกต่างหากแหยขาดอีกต่างหากมันไม่คุ้มค่านี้ก็เหมือนกันการที่จะแสดงธรรมหรือการที่จะพูดให้ชุมชนกลุ่มใดฟังต้องมองชุมชนและมองสังคมซะก่อนควรจะพูดอะไรมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือไม่ใช่ว่าจะขึ้นไปกับพูดเปลา่าเปล่าเรื่องสมาธิอย่างนั้นปัญญาอย่างนี้วิปัสสนาอย่างนี้ทั้งที่ไต่สีทถาหูหนวกตาบอดเงองๆ นี่แหละอันนี้ปว่าผู้แสดงเป็นบ้าบ้านน้ำลายเพราะนั้นเสียงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะผู้ที่จะพูดนะผู้ที่จะแสดงทำต้องรอบคอบพอสมควรนะต้องใช้ปัญญาเหมือนกับเราจะหวานแหมจะได้ปลาไหมถ้าไม่ได้ปลาจะวานทาไมเสียแหอได้แต่ขี้โมลาขี้หมาแห่งมันไม่เกิดประโยชน์แต่บางครั้งน่อหลวงพ่อก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะ แต่บ า, บางครั้งหลวงพ่อพูดพูดไปเผื่อว่าคิดว่ามันจะได้ก็เลยวานไปาบางทีก็อย่างที่ว่านะเหหขาดที่เฉยมันถูกหนำฮะเ ป, เปอเพิกยางเป็นโทษอีกก็ยังมีกลมไม่ใช่น้อยเหมือนกันพอเราเป็นปุถุ เ, เราเป็นพระที่เราต้องไม่ถึงกับพระพุทธเจ้ามียานรัตนะถึงขนาดนั้น เ, เราก็ใช้ความรู้ความ สามารถของเราที่มองเห็นด้วยปัญญาของเราว่าควรจะพูดอะไรมากน้อยแค่ไหนให้กับชุมชนสังคมได้เรียนรู้ได้รับทราบนะเพราะนั้นให้พวกเราคณะจทธาญาโยมลูกหลานทุกคนนะถ้าหากว่าหลวงพ่อพูดอะไรออกไปที่มันออกไปทางโลกบ้างไม่ถูกกระจยเราก็ให้เราไปศึกษา ที่หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับเรื่องสมาธิมีเยอะๆแยะไปหมดเลยเถ้าจะว่าไปเลยนะหลวงพ่อพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญ า, เ, าเรื่องความหลุดพ้นมีในเอ็มพสามของหลวงพ่อเนี่ยเต็มไปหมดถ้าจะว่านะถ้าถ้าจะพอเราใยในการศึกษานะมีแต่ของพ่อมีแต่ตําหนิพวกเราท่านทั้งหลายต้นเองนะ หลวงพ่อไม่ได้ตําหนิหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพูดน้อยนะหลวงพ่อไม่ได้พูดเรื่องจิตตะภาวนาหลวงพ่อยังไม่เคยตําหนิตนเองจุดนี้นะแต่ตําหนิแต่พวกท่านทั้งหลายนะมาฟังแหละจากแต่ว่าฟังฟังไปแล้วก็ไปกินแล้วก็นอนตีพุงตาปื้ไม่ได้ทําความภาคความเพียรอย่างที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนเลยนั่นแหละหลวงพ่อตำหนิพวกเราท่านทั้งหลายนะให้ฟังเอาไว้จุดนี้นะแต่เรื่อ ง, เ ร, องเรื่องคาพูดของหลวงพ่อให้พวกเรามาฟัง ใน m อ3สมแต่ละแผน่นมีเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแนวความคิดมากหลากหลายในธรรมเทศนาเรือแนวที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในหนังสือก็มีในเอ็มพสมก็มีมากมายหลวงพ่อไม่ได้ติดตำหนิตัวเองตำหนิว่าเราจะพูดมากเกินไปจุดเลยซ้ำไปนะต่อ น, นี้ไปรับพรในะนีนะประสองค์อนุโมทนาให้พรรับพร